ขอโมทนากับพวกเรานะตั้งใจที่จะฟังพระธรรมสิลสสำคัญก็ครั์อโลพาเนี่ยเป็นเหตุแห่งปานาธิบาตก็ได้เราเห็นสัตว์ทั้งหลายรักของเข้ามาแล้วเจ้าของเขารู้ค่าเจ้าของก็เยอะเป็นเหตุแห่งกามเมสุมิฉาจา์ก็ได้เพราะบางคนเนี่ยนอกจากไปรักทรัพย์เขาอย่างเดียวยังไปพูดผิดในกลามด้วยอย่างนี้เป็นต้น หรือเอาของกันไปนแรกเพื่อประพื้นผิดในกรรมของสัตว์ทั้งหลายก็เยอะเป็นเหตุแห่งการพูดเทศสอเสียดคำหย า, าเพิร์เจอเป็นเหตุแห่งความโลภโกรธและเห็นเป็นเหตุแห่งความเข้าใจผิดด้วยฉะนั้นก็ด้วยความไม่โลภเหล่านี้เลยมาเป็นเหตุแห่งการไข ค, ควรเพื่อทํากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต้นนี้ให้หมดจดเป็นเจตสิกสีนไหมอันนี้ใครเป็นประธานใครเป็นประธาน โลภะคือความไม่โลภอนัพพิชามายึมอยู่ในฐานะเป็นประธานก็จะอย่างพอจะวิจัยเป็นไหมยากไหมรักษาศีลเนี่ยฮะ ในาศาสนาของพระชินเจ้าเป็นาศาสนาของผู้มีปัญญาหรือไม่มีปัญญ า, ญญาผู้มีปัญญาเราเป็นพุทธบริษรัทของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าอุตสาตั้งขึ้นมาเพราะคิดยังไงเพระบรมศ า, ศาสดาก่อนที่จะเสด็จดับขันธบริณิพานพระองค์ตอบตอบแกมาใช่ไหมแต่ก่อนพระองค์ไม่ยอมบริณีพาน พระ อ, อ, องค์บอกว่าดูก่อนมานผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของคนประมาณเราจักยังไม่ปรินิพานก่อนตราบใดที่บริษัทของเราไม่แข็งแรงไม่เข้มแข็งไม่ตั้งมั่นไม่ทรงความสอนใช่ไหมทรงคำสอนทั้งพระวินัยยวิโดกระสุตตันตมิโดพระวิธรรมวิโด ก็สรุปก็คือว่าตั้งมั่นในสิกขาสามและพุทธวจนะทั้งสิน้นถ้าตั้งมั่นในศิกขาสามและพุทธวจนะทั้งสิน้นแข็งแรงในใจของพุทธบริษัทเมื่อใดเราตถาคตจับปริญญานคือถ้าหากว่าสาวกของเราแข็งแรงในศิกขาสามและพุทธวจนะทั้งสิ้นแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะปรับปรรพวาทคือวาทต่าง คือสามารถแยกได้ว่านี่เป็นคําสอนของพระเจ้าและไม่เป็นคําสอนได้ใครมากล่าวว่านี้เป็นคําสอนก็จะมากล่าวตู่บริษัทของเราไม่ได้แล้วเพราะบริษัทของเราแข็งแรงวันนั้นเนี่ยเราถึงจะทิ้งขันทภาราบริญพานแล้วที่สุดจริงๆพระองค์ก็ทิ้งเอจี่ทิ้งพ่อมารมาขอรัตนาครั้งสุดท้ายพระองค์ก็พิจารณาแล้วว่าบริษัทของพระองค์แข็งแรงแล้ว ฉลาดแล้วเข้าใจพระธรรมแล้วตั้งมั่นแล้วไว้ใจได้แล้วไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างของของของวาทะอื่นแล้วไม่จปฏิบัติผิดแล้วไม่หลีกเลี่ยงคําสอนแล้วไม่ปฏิบัติผิดในคําสอนของพระศาสดาแล้วใช่ไหมพระองค์จึงทิ้งขันธพาละถ้าอย่างนั้นพระองค์เนี่ยบาเพ็ญบา ร, รมีมาอย่างยาวไกลเนี่ยอุตสาหะอย่างยิ่งมาเนี่ย ถ้าไม่ฝังรากเล็กศาสนาไว้ในกระแสใจของสัตว์ได้แล้วเนี่ยพระองค์จะปรินิพานทําไมอันนี้พระองค์ปรินิพานแปลไว้ใจบริษัทสี่ของพระองค์ใช่ไหมไว้ใจภิกษุแล้วตอนนี้เหลือภิกษุุบาสุบาสิกาเนี่ยไว้ใจพวกเราด้วยแล้วเราเป็นอุบาสอุบาสิกาเป็นบริษัทที่พระองค์ตั้งขึ้นไม่ใช่บริษัทที่ไม่ได้ตั้งขึ้นนะควรภูมิใจไหม วันภูมิใจเราเป็นบริษัทของพระ อ, องค์บริษัทเหล่านี้ไม่ใช่ตั้งขึ้นมาแบบธรรมดาเนะี่ต้องใช้เวลาบ่มเพาะยี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากับที่ตั้งบริษัทเหล่านี้ขึ้นมาแล้วต้องมั่นว่าพวกเราแข็งแรงในพระธรรมก็สอนแล้วแล้วตอนนี้ถามใจตัวเองแข็งแรงไหมเขา้าใจยังแต่เนี้ยอย่าคิดว่ายากใช่ไมเพราะเราเป็นบริษัทของกาย ไม่ใช่บริเป็นบริษัทของพญามารเนี่ยใช่ไหมถ้าเป็นบริษัทของพญามารไม่ยอมเรียนไม่ทำของพระพุทธเจ้าใช่ไหมอย่างเราไม่ได้แล้วเราต้องศึกษาแล้วทาความเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกและต้องไม่หลีกเลี่ยงคําสอนของพระผู้มีภาคเจ้าแล้วต้องไม่ปฏิบัติผิดนะถ้าปฏิบัติผิดเมื่อไรไปเข้าใจผิดคําสอนเมื่อไรเรากลายเป็นคนหักลานคําสอนเะเองต้องระวังใั่ไหมท่า าชัดเจนอย่างนี้เป็นไงดีไหมบริษัทของพระเจ้าแข็งแรงเลยใช่ไหมเป็นบริษัทที่โหหน้าสาละเสริญเลยฉะนั้นถึงบอกว่าบริษัทของพรบ ร, รมศาสดานั้นเน่พระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องมีปัญญาหรือไม่มีปัญญ า, ญญาเห็นทุกอย่างต้องสามารถวิจัยได้ไหมญญพระพุทธเจ้านั้นทักโขเนี่ยชำนานมาก ชำนาญมากเห็นอะไรต่างๆพระเจ้าชำแหละพิจารณาพบวุบได้หมดเลยแล้วสิทธิ์ของพระเจ้าก็ต้องทักโขตามพระเจ้าด้วยใช่ไหมก็ต้องมีความชำนาญด้วยใช่ไม้มต้องชำนาญด้วยไม่ใช่ว่าพระเจ้าเป็นผู้ชำนาญปล่อยท่านชำนาญเพื่อ <laughs> อย่างนี้ได้ไหมล่ะอย่างนี้ไม่ได้เราเป็นบริษัทของพระบรมศาสดา เราต้องมีความชำนาญในพระธรรมคำสอนและสามารถปฏิบัติถูกต้องแล้วก็เข้าใจคำสอนพระเจ้าได้อย่างชัดเจนด้วยถ้าอย่างนี้ก็เริ่มเข้าใจเจตนาศีลเข้าใจแล้วเจสิกศีลเริ่มเข้าใจอย่างเอาความไม่โกรธความไม่โกรธเป็นประธานยังไงในขณะที่ว่าถามว่าในปัจจุบันนี้สัตว์โลกมุดยีดบ่อยไหม ไว่มากครับเราบางทีบางทีเ ค, ย, คยดูหนังสือธรรมะเคยงนุนงิดแต่หนังสือธรรมะเคยไม่เคยเนใจหดลายจริงคือที่จริงห <c ười> น, น, นังสือเนี่ย เป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเนี่ยเพราะเวลาใดเราไม่มองเห็นพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าไดนะ้เวลานั้นเราจะ ก, กล้าโกรธแต่ถ้าวันใดเราเห็นพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว น, นั้นเราจะ ก, กล้าโกรธพระพุทธเจ้า ไ, ไหมกล้าใช่นี่เรายังไม่เห็น เรายังไม่เห็นว่านี้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากล่าวว่าไงบอกว่าธรรมวินัยจะเป็นอะไรจะเป็นศาสดาของเราหลังการล่วงไปแห่งเราธรรมวินัยก็ที่กล่าวมาเป็นพระธรรมวินัยไหมเนี่ยไหมพระธรรมวินัยจะเป็นศาสดาเจริญต้องบอกเราเห็นศาสดาเราจะไปกล้าโกรธศาสดาไม่ได้ นี่แหละการเจริญกุศลศีลในชั้นของอัพยาบาปคือความไม่เกรดคือเมตตาไม่เกิดนั้นเหตุผลก็คือว่าบางบางครั้งให้สังเกต ด, ดูไหมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเนี่ยเป็นปัจจัยแก่การที่เราโกรธได้หมดเลยเพราะโทษแห่งการไม่วิจัย ให้แห็นการไม่วิจัยเราเห็นโต๊ะเก้าอีอ้เนี่ยตั้งๆที่ก็อยู่อย่างเงี้ยนะมาบางวันเห็นก็าเพื่อนนิดหน่อยแล้วก็โกรธเขาแล้วอย่างเงี้ยอันนี้เห็นบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงว่าเจตสิกศีนไม่เกิดพอเจตสิกศีนไม่เกิดก็เกิดความโกรธพอความโกรธขึ้นมาเสียสีนในใจไหมเสียอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยถ้าโทษของการที่เราไม่เข้าใจว่า ตอนนี้เรากำลังจะจุดแสงเทียนคือกุศลศีลในกระแสของชีวิตเมื่อจุดมาแล้วเราจะไม่ดับแล้วก็พยายามพัฒนาให้แสงเทียนนี้สว่างเจิดจ้าและหมุนอย่างต่อเนื่องมีการหมุนอย่างต่อเนื่องมีการเกิดติดติดอย่างต่อเนื่องจนเกี่ยวข้องทุกทุกอารมณ์แล้วกุศลศีลเดินได้ทุกอารมณ์เกี่ยวข้องกับรูปารมณ์กับสีกับวันนะ ไม่ว่าจะเป็นสีของสามีสีของลูกไจะเป็นสีของใครก็แล้วแต่สีของโต๊ะสีของเก้าอี้สีของน้ำอัดลมสีของไม้สีของเพดานสีของห้องสีของรถลาทั้งหลายทุกสีที่ผ่านมาทางทวารตาแล้วเนี่ยจักไม่เป็นปัจจัยเก่ความโกรธแล้วเพราะวิจัยและเข้าใจแล้วตัวกุศลศีลก็จะเดินก็จะมีความ ปรารถนาดีเขาจอยังแต่เนี้ยตัวกุศลศีลมันเดินได้จริงไม่ใช่การปฏิบัติไปอยู่แค่ห้องสี่เหลี่ยมไม่ใช่แค่นั้นจริงอยู่ในห้องนั้นน่ะสำคัญคือการหลีกเล่นแต่ไม่ใช่ออกจากห้องนั้นแล้วปล่อยบาปเกิดยังไงก็ได้มันคมันมันไปแล้วแต่เนี้ยการปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง แล้วอะไรคือการบรรลุแล้วอะไรคือการแทงตลอดมันเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าเข้ามาในวัดแล้วเหมือนเอามาเนี่ยนะบอกว่าเออเอา้าถ้าถ้าห่มจีวร อ, อยู่ใช่ไหมตรงเนี้ยเจเริญเต็มที่หน่อยพอต่อไปกลับที่วัดเอาจีวร อ, ออกบ้างเหลือแต่อังสะเหลือแต่อะไรเลยเนี่ยนแล้วตอนนี้ ศีลมันหายไปแล้วก็ได้ไม่เป็นไรไม่ใช่ทุกทุกทุกียาบทกุศลศีลดังเดินได้ถ้าเดินไม่ได้ความเสียหายอยู่กับมาเอี่ยไม่ใช่อยู่กับโยมเนี่ยนั่นต้องมองเห็นเป็นศีลได้ต้องเข้าใจศีลได้ถ้าความโกรธมันเกิดขึ้นต้องรู้เลยว่าเสียอะไรเสีย เสียศีลก้อนไหนเสียอาโทสะเสวะเจตสิกศีลก่อนเนี้นี่ยเราก็เริ่มมองบุคคลอื่นใช่ไหมมองเมตตาบุคคลอื่นเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่ฆ่าเพื่อจะได้เป็นเหตุแห่งการระ ง, งับโทสะที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าด้วยเมื่อเป็นเหตุแห่งการฆ่าก็จะเป็นเหตุแห่งการลักก็จะเป็นเหตุแห่งการประพฤติผิดในการมแล้วจะกล่าวเทศส่อเสียดคาหยาเพื่อเจอือใช่ไหม แล้วก็จะโลบจะโกรธแล้วก็จะหลงไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นเห็นว่ามันกมันไม่ใช่กระทบตัวเดียวเข้าใจยังมันหมุนหมดเลยอ่ะเข้าใจคำว่าหมุนไหมอ้าวเดี๋ยวยกตัวอย่างเดี๋ยวถ้าไม่ยกตัวอย่างไม่เห็นใช่ไหมเรื่องเนไม่ยกตัวอย่างเดี๋ยวไม่เห็นอีกเดี๋ยวนี้คือมันอย่างนี้เรื่องศีลเนี่ยจึงต้องคุยค่อนข้างที่นานแล้วบ่อย เพราะชาวพุทธไม่ค่อยถนัดในการเจริญกุศลศีลแบบนี้จริงไม่จริงไม่ไม่ไม่เคยเจริญกุศลศีลแบบนี้เลยแล้วก็ไม่ได้ฝึกไม่ได้ซ้อมวิธีคิดแบบนี้ให้เป็นศีลไปเข้าใจว่าปานาติบาตาเวรามีสิก้าบดังสมาธิยามีกระต่างคนต่างไปก็จบที่ไหมเราเข้าใจแค่นั้นใช่ไหมมันไม่ใช่ โอ้โห้รักษาเสียอย่งนั้ก็ชาพุทธก็เต็มบ้านเต็มเมืองเลยแล้วเป็นไงแต่เนี่ยแล้วทําไมถึงมีทําไมมีการประพฤติผิดกันเต็มเมืองแค่นี้ยังไม่รู้อีกหรือว่ามันผิดพลาดหรือจะให้ความผิดพลาดเนี่ยมันตอกย้ําไปถึงไหนแค่นี้ยังไม่รู้เลยเอ า, ว, าว่าไงยอมเป็นงั้นจริงไหม ว่าเป็นการรักษาศีลผิดพลาดแล้วที่จริงนะ่ควรจะคิดได้กันตั้งนานแล้วว่ามันผิดใช่ไหมเพราะรักษาศีลถ้าอย่างนี้แล้วมันจะเจริญยังไงเอางี้ร่างกายต้องออกกำลังทุกวันไหมมันถึงจะมีแรงใช่ไหมต้องกินอาหารไหม แล้วตอนนี้กุศลศีลได้ออกแรงบ้างหมรักษาไปแล้วไปเก็บนั่นก็เป็นเปี้ยเป็นง่อยพิการแล้วเมืองบันนี้ใช่ไหมจากนั้นมันจะต้องให้มีมันจะต้องให้มีมีการออกกำลังไหมเมตตาที่เป็นศีลน่นะอาโทสะเนี่ ย, นะยมันจะต้องออกมาใคร่ครวนในขณะที่เขาก็ออกมา มาใครควรออกมาเกี่ยวข้องการลมต่างๆเชื่อว่าเขากําลังออกกําลังไหมแล้วเขาได้อาหารไหมได้อาหารแล้วเขาจะแข็งแรงไหมแล้วจะชำนาญแล้วก็จะเจริญแล้วความเจริญงอกงามในกายกรรมจีกรรมมโนกรรมก็จะสะอาดขึ้นเพราะตัวอโทสมาชำระชำระกายไม่ทุจริตชำระวาจาไม่ทุจริตชำระใจไม่ทุจริต ให้่ใหญ่นี่คือกายวาจาใจถึงสะอาดมันจึงเป็นผลของศีลเริ่มจะมองเห็นไหมทีเนี้ยฉะนั้นการคิดแล้วใจเป็นไปกับเมตตาเพิ่มมาชำระไม่ให้มันร่วงละเมิดบาปออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั่นแหละตัวเมตตาเหล่านี้นี่แหละมาเป็นตัวชำระเป็นชำระกายวาจาไปเรียบร้อยแล้ว ทีนี้ถ้าไม่คิดเลยอ้าวไม่คิดเลยเห็นเฉยๆก็ไม่คิดปล่อยเหตุการณ์เกิดขึ้นก็โกรธทุกทีก็เสียศีอยู่เรื่อยไม่ต่างอะไรอาวันนียเราจะเอานักกีฬาของเราไปแข่งขันกับเขาแต่ห้ามซ้อม <c oughs> ชนะไหม เหรียญทองเตรียมบ้านเลยใช่มเงี้ยมันไม่ได้ไม่ต่างกันเลยเราจเจริญศีลผิดถ้างั้นก็จะเรียกว่าจเจริญศีลอย่างไงถามว่าถ้ารับเสร็จแล้วเก็บแล้วไปคุยเรื่องอื่นไปคิดเรื่องอื่นไปทำเรื่องอื่นแล้วไม่ให้โอกาสศีลได้โงศีสาขึ้นมาหายใจได้เลยศีลจะรอดไหม อะไรที่อยู่รอดกิเลสกิเลสอยู่รอดแต่ศีลตายกิเลสอยู่รอดก็ศีลตายทำาไมโหด้ายต่อศีลขนาดนั้นใช่ไหมเข้าใจยังแต่เนี้ยแสดงให้เห็นชัดว่าเราเจริญศีลถูกหรือไม่ถูกต้องยอมรับความจริงใช่ไหมไม่ถูกจริงจริงไม่ถูกก็เปลี่ยนใหม่ ตอนนี้สายหรือยังบายแล้วสายแล้วทันนะทันไหมก็แต่แต่ในความคิดมาก็ ก็ถึงบอกไงถ้าถ้ารู้ตัวว่าประมาทในปฐมวัยก็ชําระตนให้บริสุทธิ์เสียในทุตีวัยถ้ารู้ว่าประมาททั้งปฐมวัยในทุตีวัยก็ชําระตนใน ต, ตัดเียวัยถ้ารู้ว่าประมาทใน ต, ตัดเทียวัยถ้ายังไม่ตายก็รีบชําระเดี๋ยวนี้เสีย <c oughs> ดีไหมาสายตั้งนานแล้วสายตั้งนานแล้ว อย่ไปบอกว่าไม่สายมันจะทำให้เนิ่นช้าก็รีบชำระเสียแล้วก็ครับทำความเข้าใจเกิดขึ้นเสียงแล้วก็ถามว่าฟังวันนี้แล้วก็เก็ียดไปพับแล้วไม่ทับไม่ไปเจริญต่อจะได้อะไรขึ้นมาไหมสมมติมีการมานั่งฟังทำอีกออกมาก็ต้องมาเล่าเรื่องเดิมถามว่าคนที่น่ากรุนาการเป็นใครตอเนี้ ทุกวันนี้เอามากรุณาตัวเองคือไปที่ไหนมาไปบอกรายละเอียดเบ็เสร็จเอามาก็ต้องมาคุยเรื่องนึงที่แม่เอามาพูดเรื่องศีลมาเนี่ยน่าจะเกือบครบปีแล้วมัง้งคือจริงๆอยากพัฒนาวิสุทธิสมาธิและบัญญาชัดขึ้นแล้วเราจะได้บำเพ็ญศีกขาสามกันให้บริบูรณ์ดีไหมนะงั้นก็ช่วยกันหน่อยหนึ่งพยายามในการ ศึกษาคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยเฉพาะก็คือว่าพระบรมศาสดาได้อุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยในการที่เราได้มีโอกาสมานอกน้อมด้วยกายวันานาวจีวันานาแล้วก็มโนวันานาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านับก็เป็นบุญ บุญยร า, าบอย่างสูงสุดพราะผู้มีพระเจ้ามีพระคุณที่บอกว่าที่เราสวดกันบอกว่าแม้พ่อเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจา ก, กิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมโดยวิชาและจรณะ เป็นผู้เสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงเป็นผู้รู้แจ้งทรงเป็นผู้อธิบายธรรมะและเป็นผู้มีส่วนแห่งพระบารมีธรรมอันเจริญสูงสุดพระพุทธคุณทั้ง๕ประการนี้เป็นพระคุณที่กระจรกระจาย อนุภาพเรื่องลือไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาลทําให้ผู้ได้ยินได้ฟังนั้นน่ะนะได้เกิดศรัทธาความเลื่อมใสต่างพากันเปเฝ้าว่าผู้มีพระภาคเจ้าได้ฟังพระธรรมเทศนาบางท่านก็ประกาศตนเป็นอุบาสกในพุทธศาสนาบางท่านก็ประกาศเป็นอุบาสิกาต่างๆได้บรรลุคุณธรร ม, มตามสมควรแก่ฐานะของตน เมื่อมาพิจารณาอย่างนี้แล้วพวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสมาเข้าถึงศึกษาคำสอนของพระบรมศาสดาที่บอกว่าพระคุณของพระบรมศาสดานั้นกว้างใหญ่ไพศาลพระคุณทั้งกาะการมีอารหาันตคุณเป็นต้นนั้นภัยบูนปราศจากมนทิน มนทินคือราคาโทสาโมหะไม่แปดเปื้อนคุณต่างๆเหล่านั้นอันหมูมนุษย์และเทวดาและพรหมทั้งหลายกล่าวกันแล้วเต็มท้องฟ้าและแผ่นดินแผ่ไปแล้วในหมู่ไตรเทพและไตรภพทั้งสิน้นฉะนั้นพุทธคุณทั้งหลายแนในปัจจุบนันนี้ก็ประดับอยู่ในห้องใจของกระแสใจของสัตว์ทั้งหลายทั่วสากลและจักรวาล เว้นไว้แต่สัตว์ที่มืดบอดไม่สามารถที่จะเห็นคุณของพระบรมศาสดาได้ก็เลยไม่สามารถที่จะน้อมนำมาอาพระคุณของพระศาสดานั้นน่ะมาหยั่งลงในกระแสะใจของท่านเหล่านั้นได้อันนั้นก็เพราะเป็นความไม่รู้ในคำสอนของพระบรมศาสดานั่นเองทีนี้ในชั้นของคำสอน ท่านจะพยายามเตือนเราท่านทั้งหลายตลอดเวลาว่าในฐานะที่เราท่านทั้งหลายได้เป็นพุทธบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จงหมั่นและลึกถึงพระคุณในส่วนของคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยการทำศรัทธาเป็นประธานบ้างทําเจตนาหรือปัญญาเป็นต้นให้เกิดขึ้นเป็นประธานในกระแสใจของแต่และบุคคลนั้น เมื่อเข้าใจในชั้นของกุศลศีลซึ่งเป็นพระธรรมที่พระบรมศาสดาพร่ำสอนอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งนี้ควรแก่เธอสิ่งนี้ไม่ควรแก่เธอสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทําเป็นต้นในชั้นของศีลที่เป็นภิกษุและก็ภิกษุณีและก็สามเณรเป็นต้นเหล่านี้พึงรักษาอย่างนั้นท่านเรียกว่าเป็นวินยัยศีล ศีลที่เกี่ยวข้องมาเป็นไปในส่วนของพระวินัยยบิดกถ้าเป็นของคารวะทั้งหลายนั้นเ้าเรียกว่าสุตันต์ศีลโดยส่วนใหญ่ก็มาในชั้นของคมภีทีคณิกยศีลละขันธวัชเป็นต้นเราเนี่ยนะถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้ว่าทั้งบรรปะชิตและเครื่องหัดทั้งหลายเนี่ยถ้าเข้าใจพุทธวจนะของพระบรมศาสดายอย่างนี้แล้ว ก็จงหมั่นประกอบในการที่จะบำเพ็ญหรือเจริญกุศลศีลที่พระบรมศาสดาทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพราะพุทธคุณนั้นนะว่าโดยยอดที่สุดแล้วเนี่ยก็มีอยู่เพียงสามประการใช่ถ้าขยายก็ยังกว้างใหญ่ไปสารหาประมาณไม่ได้ถ้าย่อลงมาก็คือพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณและพระปัญญาคุณ เพราะพุทธคุณทั้งสามประการนี้เป็นรากเงาเป็นข้าวมูลให้บังเกิด พ, พุทธคุณทั้งปวงฉะนั้นคุทตคุณทั้งปวงที่นับประมาณไม่ได้นั้นน่ะพระคุณนันเนีย่ยประเสริฐอย่างยิ่งเพราะทำให้เวเนยศัตร์ที่ผ่านมาตลอด 2,500 กว่าปีมาตราบจนเ่าถึงบัดเนี้ยได้มีโอกาสศึกษา ไตรศึกษาแล้วก็ไ ต, ตรศิขาและพุทธวจนะทั้งหมดเมื่อได้ศึกษาแล้วเนี่ยนะเขาเรียกว่าได้เข้าถึงศาสนาพรนาหมณ์เมื่อเข้าถึงศาสนาพราหมจณ์ก็คือเข้าถึงในชั้นของระดับกุศลศีลแล้วก็เข้าถึงในชั้นของระดับที่เป็นไปในเข้าใจในชั้นของคําสอนแล้วเนี่ยนะได้มีโอกาสปฏิบัติ ต, ตามพระธรรมดำที่ได้ตรัสไว้ รักษาชีวิตให้ดำเนินอยู่ในกุศลศีลเป็นต้นและมีโอกาสยกระดับจิตพัฒนาให้ถึงระดับสติและก็สมาธิปัญญาเป็นต้นให้สูงส่งยิ่งยิ่งขึ้นไปจนสามารถปลดเปื้องชาติทุกชราทุกพยาธิทุกละมรณาทุกตามสมควรแก่ฐานะตรงนี้นี่แหละ